ามหมายของบกเกิกบุระยมนาคเกิกบุระยมนาคเป็นนักวาดภาพที่มีผลงานมากมายมีงานล้นมือผมเคยขอให้คุณเกิกบุระสอนการวาดภาพลงสีน้ำอยู่สองถึงสามครั้งเพราะชื่นชมงานของเขาทุกชิ้นที่พิมพ์ในหนังสือต่างๆและติดตามงานของเขามาโดยตลอดผมถือโอกาสเชิญคุณเกิกบุระ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 และได้ขอปวารณาที่จะเขียนภาพให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและคุณวศินได้กรุณามอบทุนการจัดพิมพ์หนังสือเป็นคนแรกจำนวนเงินสอง0 0บาททวนผมตื้นตันใจที่มีเพื่อนเพื่อนคอยช่วยเหลือในการทาหนังสือหลวงตาเล่มนี้ผมถือเป็นนิมิตที่ดีที่สุดในชีวิตที่ทาให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อหลวงตาที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเรา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 ลงชื่อคุณหลวง10เมษายนพุทธศักราช2551บทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโช